สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในพระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์บทที่22พระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์บทที่22ข้อ13บสาจนถึงข้อที่28ครับโปรดฟังพจชนะของพระเจ้าคนที่ไปตามตัวมีคายาได้กล่าวกับเขาว่าดูเถิดผู้เผยพระเจชนะคนอื่นๆล้วนแต่ทํานายเป็นเสียงเดียวกันว่ากษัตริย์จะชนะขอให้ท่านกล่าว ไปในทางที่ดีเช่นเดียวกับพวกเขาแต่มีคายากล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดข้าพเจ้าจะพูดแต่สิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสฉันนั้นเมื่อเขามาถึงกษัตริย์ตรัสถามว่ามีขายาเอ๋ยเราควรจะไปรบกับรามดกิเลอตหรือเราควรจะยับยั้งไว้มีขายาทูลว่า จงบุกเข้าโจมตีรามอกิเลาดและมีชัยชนะเถิดเพราะองค์พระบุญเจ้าจะมอบเมืองนั้นไว้ในพระหัตถ์ของฟ้าพระบาทกริย์ตรัสว่าเราจะต้องให้เจ้าสาบานกี่ครั้งกี่หนว่าจะบอกแต่ความจริงแก่เราในพระนามพระยาเวมีขายาจึงทูลตอบว่าข้าพรเจ้าเห็นอิสราเอลทั้งปวงกระจัดกระจายไปตามภูเขาต่างๆเหมือนแกะที่ไม่มีคนเลี้ยง และองค์ผู้เป็นเจ้าตรัสว่าคนเหล่านี้ไม่มีนายให้ทุกคนกลับบ้านโดยสวัสดิภาพเถิดกษั ต, Israel ตริย์อิสราเอลตรัสกับเยโชาฟัดว่าข้าพเจ้าบอกท่านแล้วไม่ใช่หรือว่าเขาไม่เคยพยากรณ์เรื่องดีๆเกี่ยวกับข้าพเจ้าเลยมีแต่เรื่องร้ายทั้งสิ้นมีขายากล่าวต่อไปว่าฉะนั้นจงฟังพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าเห็นองค์พระบูญเจ้าประทับบนพระที่นั่งของพระองค์ทูตสวรรค์ทั้งปวงยืนเฝ้าอยู่รอบพระองค์ทั้งซ้ายและขวาแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าใครจะหลอกล่ออาหับให้ไปโจมตีราโมสกิเลาตและตายที่นั่นมีผู้ทูลเสนอต่างๆนาน า, นาในที่สุดมีวิ ญ, ญญาณดวงหนึ่งก้าวออกมายืนต่อหน้าองค์พระบุญเจ้าและกราบทูลว่าข้าพระองค์จะหลอกล่อเขา องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสถามว่าทำอย่างไรวิญญาณนั้นทูลว่าข้าพระองจะไปเป็นวิญญาณมุษาในปากของผู้เผยโภจนะทุกคนของอาหับพระองค์จึงตรัสว่าเจ้าจะหลอกล่อเขาสําเร็จไปทําตามนั้นเถิดดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงใส่วิญญาณมุสาในปากผู้เผยโภจนะเหล่านี้ของฝ่าพระบาท องพระผู้เป็นเจ้าทรงมีประกาศสิทธิ์ให้ฝ่าพระบาทถึงแก่หายนณะแล้วแล้วเสด็จขียาบุตรเคนอาอนาจึงเข้ามาตบหน้ามีขายาและถามว่าพระวิญญาณจากองค์พระบุ้เเจ้าออกจากข้าไปพูดกับเจ้าได้อย่างไรมีขายาตอบว่าท่านจะรู้คำตอบในวันที่ท่านไปหลบซ่อนตัวอยู่ในห้องชั้นไหนกษัตริย์อิสราเอลจึงตรัสสั่งว่าจงคุมตัวมีขายา กลับไปหาอาโมนผู้ว่าการของเมืองนี้และโยอาชราชบุตรของเราบอกสองคนนั้นว่ากษัตริย์ตรัส ด, ดังนี้ว่าจงขังชายผู้นี้ไว้ในคุกให้แต่ขนมปังกับน้ําประทังชีวิตจนกว่าเราจะกลับมาอย่างปลอดภัยมีขายาประกาศว่าหากฝ่าพระบาทกลับมาอย่างปลอดภัยก็แสดงว่าองค์ผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตรัสผ่านทางข้าพเจ้าแล้วกล่าว อีกว่าทุกคนจงจำคำพูดของข้าพเจ้าไว้พี่น้องครับหัวข้อในเช้าวันนี้ก็คือวิญญาณมุษาในสมัยของพระธรรมหนึ่งพงศษสมัยของกษัตริย์อาหับสมัยของกเอริยาพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้านั้นก็มีแต่บทบัญญัติของโมเสสและบทความต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นคำอธิบายเป็นคอมเมนตารี่เป็นอัธถาธิบายที่เกิดจากพระบัญญัติของโมเสสพี่น้องครับพระจนะของพระเจ้าซึ่งเป็นไบเบิลหรือพระคัมภีร์เดิม39เ้ล่มพระคัมภีร์ใหม่27เล่มยังไม่มีเป็นความยุ่งยากลำบากในคนที่ติดตามพระเจ้าเวลาเขาจะแสวงหานามธรรของพระเจ้าเขาก็มีความต้องการ และมีความเสี่ยงสูงมากที่เขาจะเจอกับวิญญาณมุษาพี่น้องครับกษัตริย์เยโฮชาฟัดซึ่งเป็นกษัตริย์ยูดารู้ว่าผู้เผยโพรชนะ400คนนี้เชื่อถือไม่ได้จึงขอปรึกษาผู้เผยพระชนะที่แท้จริงของพระเจ้าและในที่สุดเขาก็เจอกับมีคายามีคายานั้นเป็นผู้เผยโพจนะที่พระเจ้าใช้ มีขยะเก่าในข้อที่14บอกว่าองค์ผู้วิจ้าทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดเขาไเจ้าจะพูดแต่สิ่งที่องค์พระวิญ้าตรัสฉันนั้นพี่น้องครับผู้รับใช้พระเจ้าที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์จะพูดตามที่องค์ผู้วิจ้าตรัสในสมัยนี้หากผู้รับใช้พระเจ้าหรือนักเทศหรือผู้สอนพระวจนะจะต้องสอนพระวจนะตามพระคัมภีครับ พระกัมพีกล่าวอย่างไรต้องกล่าวอย่างนั้นนั่นคือสิ่งที่สอดคล้องกับพระกัมพีตอนนี้ก็คือว่าข้าพเจ้าจะพูดแต่สิ่งที่องค์พระพเเจ้าตรัสผู้รับใช้พระเจ้าจะต้องพูดแต่สิ่งที่พระกัมพีและพระเจ้าตรัสผ่านเขาแต่มีคายาได้เผยพระวจนะดูเหมือนว่าเขาตั้งใจที่จะหลอกแต่น้ำเสียงคงจะพระเจ้าประชันครับจนกระทั่งอาหับนั้นรู้ว่า เขาได้เผยโผจนะแบบประชดประจันก็คือไปเข้าข้างพวกผู้โผจนะ400คนนี้ด้วยการประชดประจันนั่นเองครับทำให้กษัตริย์รูกษัตริย์อาหับจึงบอกว่าจะต้องให้สาบานกี่ครั้งกี่คนว่าจะต้องกล่าวความจริงในนามของพระยาเวมีขยาก็เลยตอบกษัตริย์อาหับว่าข้าพเจ้าเห็นอิสราเอลกระจัดกระจายไปก็คือแพ้ครับ แพ้มีขายาก็กล่าวต่อไปว่าข้าพเจ้าเห็นองค์พระพุทธเจ้าประทับบนพระที่นั่งของพระองค์ทูตสวรรค์ก็ยืนเฝ้าอยู่แล้วองค์พระพุทธเจ้าตรัสว่าใครจะหลอกล่ออาหับไปโจมตีกีรลอาและตายที่นั่นพระเจ้ากําลังบอกผ่านมีคายาผู้ผเผยพระชนะว่าอาหับจะต้องตายในสงครามแต่จะต้องมีคนที่ ไปหลอกล่อให้อาหับนั้นไปโจมตีลาโมกีลาอดครับเพราะฉะนั้นวิญญาณก็ยืนอยู่ต่อองค์ผู้เวทเจ้าและวิญญาณนั้นเป็นวิญญาณแห่งการมูษาและบอกว่าข้าพเจ้าจะหลอกล่อเขาวิญญาณบอกว่าจะไปเป็นวิญญาณมูส่าในปากของผู้เผยโพชนะทุกคนของอาหับพระเจ้าก็อนุญาตพี่น้องครับเราจะมาดูกันครับว่าวิญญาณมูสานั้นเป็นยังไง บางคนก็เสนอว่าวิญญาณมุสานั้นเป็นวิญญาณของพระเจ้าที่ทําหน้าที่ของวิญญาณมุสาแต่คงจะไม่เป็นเช่นนั้นเป็นแน่บางคนก็เข้าใจว่าวิญญาณมุสานั้นเป็นซาตานหรือสมุนของมันบางคนก็จะใจ้าว่าเป็นวิญญาณมุสานั้นเป็นภาพเชิงสัญลักษณ์ของอํานาจในการโกหกพระเจ้าทรงมอบผู้เผยพระจนะสี่ร้อคนให้อยู่ภายใต้อํานาจของคําโกหกเพราะว่าพวกเขาไม่รักความจริงและเลือกที่จะ พูดจากใจของตนผมเห็นด้วยครับว่าวิญญาณมุสานั้นเป็นภาพเชิงสั ญ, ญลักษณ์ของอำนาจในการโกหกเพราะเนื่องจากว่าพวกผู้ผเผยโฉนด400คนนั้นตกอยู่ภายใต้อำนาจของคาโกหกเพราะพวกเขาไม่รักความจริงและเลือกที่จะพูดจากใจของตัวเองเพื่อชามข้าวเพื่ออาชีพของตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นมีงานทํามีอนาคตนั่นแหละครับคือ หน้าที่ของผู้เผยโพจนเกวิญญาณแห่งการมูสาก็ลงมาแผ่อำนาจทำการโกหกพี่น้องครับแต่เราจะเห็นถึงนามวัตถัยที่ดีเลิศของพระเจ้าที่จะให้อาหับนั้นได้กลับใจใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองมีขายาซึ่งเป็นผู้เผยโพจนจากพระเจ้าก็ได้เล่าให้ฟังว่าจะต้องตายแน่ เพราะฉะนั้นหากว่าอาหับนั้นเชื่อในมีคยาอาหับคงจะไม่ออกรบแต่เป็นที่น่าเสียดายครับทั้งกษัตริย์อาหับซึ่งเป็นอิสราเอลฝ่ายเหนือและกษัตริย์เยโฮชาฟัตซึ่งเป็นอิสราเอลฝ่ายใต้นั้นในที่สุดก็ตกลงปร่งใจก่อนที่จะออกไปทําศึกนั้นก็จับตัวมีคยาครับแล้วก็ไปขังให้กินแต่ขนมปังน้ําแล้วก็มั่นใจว่าจะชนะแน่นอนเพราะว่า พระเจ้าก็บอกว่าวิญญาณมุษาจะล่อลวงเขาจนจนสำเร็จพี่น้องครับขณะที่ผู้เผยพระเจนะเกทำงานของเขาผู้เผยพระเจนะที่มาจากพระเจ้าโดยพระวิญญาณของพระเจ้านั้นก็ทำงานของพระองค์แสดงให้เห็นว่าพระเจ้านั้นก็ยังเปิดโอกาสให้อาหับได้กลับใจใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ไม่เป็นผลครับอาหับนั้นยังคงความดื้อด้าน ยังคงความเย่อหยิ่งยังคงมั่นใจในตัวเองว่าเขาจะชนะและในที่สุดครับในวันพรุ่งนี้เราจะาพบกับว่าในที่สุดกษัตริย์อาหรับนั้นต้องสิ้นพชนพี่น้องครับเราจะต้องระมัดระวังวิญญาณมุสาวิญญาณมุสามาจากไหนครับวิญญาณมุสานั้นมาจากมารซาตานมาจากสิ่งที่ไม่ดีอาจจะอยู่ใน รูปของสุนักจิ้งจอกและสวมหนังแกะอาจจะอยู่ในการอ้างอิงพระคำพีที่ไม่ถูกต้องสอนในสิ่งที่ไม่ถูกต้องสอนเพื่อที่จะเอาใจคนแต่ว่าไม่ได้สอนความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าริสจักรองค์กรต่างๆสถาบันของพระเจ้าครอบครัวของพระเจ้าต้องระวังวิญญาณแห่งการมูสานี้ วิญญาณแห่งการมุกษานี้เมื่อไปถึงที่ไหนก็จะนําความล่มสลายไปถึงที่นั้นสิ่งสําคัญที่เราจะตรวจสอบได้ก็คือต้องพระวจนะของพระเจ้าครับคริสเตียนทุกคนจะต้องรู้พระวจนะของพระเจ้าไม่ว่าจะมากหรือน้อยผู้นําของกเทศจักรก็ต้องรู้พระวจนะของพระเจ้าจะได้รู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องนั้นคืออะไรนั่นแหละครับคือทางรอด ของคิเตจักสรสถาบันและองค์กรของพระเจ้าครอบครัวของพวกเราเช่นกันอาเมน